รู้ทางสว่างวิธีฝึกสังเกตว่ากุศลจิตหน้าตาเป็นอย่างไรเบื้องต้นให้ดูที่ความรู้สึกเบาดูความรู้สึกชุ่มชื่นและดูความรู้สึกสว่างไม่ว่าจะรู้สึกอย่างไรให้ถือว่าเกิดนิมิตของกุศลจิตยอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นช่วยเหลือใครแล้วรู้สึกโล่งเบา แต่ไม่ชุ่มชื่นมากไม่เกิดความรู้สึกว่าสว่างมากอันนั้นถือเป็นนิมิตของกุศลจิตอ่อนๆแต่ถ้าใส่บาตระด้วยความปลื้มปีติรู้สึกโล่งเบาด้วยชุ่มชื่นเป็นอันมากหรือกระทั่งเหมือนสว่างออกมาจากข้างในด้วยอันนั้นถือเป็นนิมิตทางใจของกุศลจิตแก่กล้ากุศลจิตเกิดขึ้นได้หลายทาง เช่นเมื่อเดินเข้าไปในวัดที่เต็มไปด้วยพระปฏิมางามวิจิตชวนให้รู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์สูงส่งของพระศาสดาก็บังเกิดความปลื้มปิติอย่างใหญ่จิตธรรมดาธรรมดาแปลเป็นมหากุศลจิตได้แต่โดยมากกุศลจิตจะไม่เกิดจากสิ่งกระทบภายนอกเพราะคนส่วนใหญ่ไม่ได้เดินทางไปพบเจอพระปฏิมาล้ำค่าบ่อย หรือถ้าพบบ่อยก็กลายเป็นชินเห็นเฉยเฉยโดยไม่กราบไหวและไม่รู้สึกชุ่มชื่นนักกุศลจิตโดยทั่วไปมาเกิดจากกุศลเจตนาหรือความตั้งใจดีเป็นหลักเพราะความตั้งใจดีนั้นมีได้เรื่อยเรื่อแค่นั่งว่างๆแล้วคิดจะหายใจให้เกิดนิมิตลมเท่านี้ก็ชุ่มชื่นเป็นกุศลอย่างใหญ่ได้แล้วเพราได้ทำบุญยกระดับจิต ให้พ้นจะคลื่นความฟุ้งซ่านซัดสายวิธีฝึกสังเกตหน้าตาของกุศลเจตนาอันเป็นเหตุให้เกิดกุศลจิตตามมาเบื้องต้นให้ดูที่วิธีคิดช่วยคนก็ได้เพราะแต่ละวันที่ต้องพบปะผู้คนนั้นยังไรคุณก็ต้องคิดช่วยคนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อต้องช่วยตามหน้าที่ และทำเต็มที่ด้วยเจตนาให้เขาเบาแรงหากทำให้เขาเบาแรงได้สำเร็จคุณเองจะรู้สึกเบาใจแต่ถ้าแค่ช่วยตามหน้าที่ด้วยความรู้สึกทำไปแกนแกนไม่ได้มุ่งหวังเกื้อกูลใครแม้ทำให้เขาเบาแรงได้ใจคุณก็มีน้ำหนักเท่าเดิมไม่ต่างไปเลยแต่ถ้าอยากช่วยแม้ไม่ต้องช่วย ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นเลยแค่ช่วยด้วยความอยากสงเคราะห์ล้วนๆไม่มีประสงค์อื่นแอบแฝงอันนั้นหากทําให้เขาเบาแรงได้คุณจะเกิดความเบาใจด้วยชุ่มชื่นด้วยและถ้ายิ่งคนที่คุณช่วยคือผู้ทรงศีลหรือเป็นพระดีที่น่าเลื่อมใสใจคุณก็จะยิ่งบังเกิดความสว่างอาจวาบน้อยหรืออาจวาบนาน เมื่อสังเกตน้ำหนักและทิศทางของกุศ ล, ลเจตนาเป็นคุณจะมีกำลังใจทำกุศลมากขึ้นและยิ่งสร้างกุศลได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งเห็นจิตหรือกระทั่งทะลุไปเห็นนิมิตผลแห่งบุญทันตาเป็นภาพชีวิตที่มีความสุขมีความเจริญชัดเจนขึ้นทุกที รู้ทางสร้างออร่ามนุษย์รู้ตัวว่าเป็นสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเพราะมีร่างกายที่ตั้งตรงมีแขนขาให้เกิดท่วงท่าเดินเหินหรือหยุดนิ่งได้สง่างามเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตอื่นที่ต้องเคลื่อนไหวสีขาบ้างเสือคลานไปตามพื้นบ้างแต่แม้เปรียบเทียบกับสิ่งมีชีวิตอื่นบนโลกแล้วชนะเลิศ มนุษย์ก็ยังคงน้อยเนื้อต่ําใจได้ถ้าเปรียบเทียบกับมนุษย์ด้วยกันแล้วเป็นคนอื่นรูปร่างหน้าตาดีกว่าผิวพรรณผ่องใสกว่าถึงที่สุดแล้วแม้รูปร่างหน้าตาดีระดับเดียวกันอยู่ใกล้กันก็ยังคงรู้สึกได้ถึงความเฉื่อฉายอาภาที่ต่างกันมีความโดดเด่นดึงดูดสายตาล้าเหลื่อมกันอยู่ดีอย่างที่เรียกกันว่า ออราเป่งประกายไม่เท่ากันนั่นเองแม้เพียงมีความสามารถเห็นนิมิตลมหายใจนิมิตความรู้สึกอึดอัดตลอดจนนิมิตกุศลจิตมาไม่มากคุณก็จะทราบชัดว่าออราไม่ใช่ของหลอกเป็นของจริงที่รู้เข้าไปเมื่อไหร่ก็เห็นว่ามีอยู่เมื่อนั้นและออรา ก, กว้างแคบไม่เท่ากันตามแต่เหตุการณ์ที่ปรุงแต่งจิตของคุณในแต่ละขณะ ต่างไปเรื่อยๆด้วยอาร่ามีความลึกลับอยู่หลายแง่มุมหญิงชายเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันนานๆกระทั่งนิสัยในทางดีหรือทางร้ายกลมกลืนกันเวลาปรากฏตัวผู้คนมักทักว่าหน้าตาคล้ายกันมากหรือเหมือนกันมากทั้งที่เมื่อพินิจโครงสร้างรูปภัณฑ์สันธานแล้วหาได้มีความลำไม้กันแต่อย่างใด แท้ที่จริงผู้คนพากันทักว่าออราเหมือนกันมากต่างหากร่วมบุญประเภทเดียวกันมากๆเป็นอาจินก็อาจเกิดคู่ออราที่บันเจิดเข้าตาคนรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันหรือแผ่หายกระแสสุขไปรอบๆได้กว้างขวางประมาณเดียวกันรวมบาปประเภทเดียวกันมากๆเป็นอาจิน ก็อาจเกิดคู่ออราที่อับมองเห็นแล้วไม่สบายใจหรือกระทั่งบางทีนึกอยากด่าขึ้นมาอย่างไม่สมเหตุสมผลคล้ายทั้งคู่ช่วยกันเปล่งพลังรบกวนโลกให้อึดอัดคัดแน่นหรือพ่นมลพิษสกป ร, รกบางอย่างที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ากระจายไปทั่วๆให้รู้สึกได้อันที่จริงแล้วออราแบบห่องๆนั้น สร้างง่ายกว่าที่คิดลองใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองแล้วไปนั่งหน้าโต๊ะหมู่บูชาส่วนบทอิทิปิโสเต็มเสียงด้วยเจตนาถวายแก้วเสียงเป็นพุทธบูชาสักสามจบแล้วกลับมาถ่ายรูปใหม่อีกทีแค่นี้ก็เห็นความต่างรูปแสดงให้รู้สึกได้ชัดๆแล้วเรื่องของเรื่องคือถ้าจะให้ออระผองจริงพองนาน ต้องสวดเป็นประจำต้องตั้งใจถือศีลไม่ให้ขาดไม่ให้ด่างพร้อยทุกวันพอเวลาผ่านไปคุณจะรู้สึกถึงประกายออร่าที่สว่างเรืองขึ้นขยายกว้างขึ้นทุกทีนั่นเพราะการบำเพ็ญบุญที่เปี่ยมปีติปราศจากความโลภอยากได้อะไรเข้าตัวจะมีความสว่างสวยัยและให้ผลเป็นอันดับแรกที่กระแสจิต ตลอดจนรูปลักษณะทางกายที่ผ่องแพ้วขึ้นแต่หากสวดแล้วปล่อยใจฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยอัตตาหน้าอึดอัดคิดอยากได้โนนอยากได้นี่วุ่นวายหรือกระทั่งสวดไปน้อยใจสิ่งศักดิ์สิทธ์ไปค่าที่ไม่ยอมตกรางวัลให้ตนเสธทีอย่างเนี้ยอาจเปลี่ยนออร่าเดิมที่ดีๆอยู่ให้กลายเป็นหน้ารังเกียจ หรือหน้าอึดอัดไม่ชวนให้เข้าใกล้ไปเลยก็ได้แม้สวดมนต์จนเปล่งประกายออร่าแบบสว่างจับตาคนได้ก็หาใช่จะมีลักษณะแบบเดียวกันเสมอไปยกตัวอย่างเช่นออร่าของความเป็นที่รักเกิดจากการแผ่ใจอันเป็นสุขไปกับการสันเสริญคุณนวิเศษของพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันแสนรักแสนบูชา กระทั่งรู้สึกว่าตัวของคุณเองก็เป็นที่รักของพระรัตนตรัยเช่นกันกระแสความรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้เกิดจากการวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รักและยิ่งไม่ใช่ได้มาจากการเรียกร้องให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือแท้ที่จริงความเป็นที่รักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกิดขึ้นจากที่คุณมีความรู้คุณมีใจศรัทธา แล้วมีวาจาสรรเสริญพระรัตนตรัยออกมาจากส่วนลึกจริงๆความเคารพรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยใจบริสุทธิ์ช่วยให้ออราของคุณดูขลังสดชื่นทรงพลังและช่วยให้คนเห็นรู้สึกเบิกบานจึงไม่น่าแปลกใจหากผู้คนส่วนใหญ่จะนึกรักใคร่เอ็นดูคุณในทันทีที่พบเห็นแต่บางคนก็ไม่ได้อยากเป็นที่รัก ถ้าว่าปรารถนาความน่าเกรงขามน่าครามเกรงหรือกระทั่งอยากให้ใครต่อใครเห็นแล้วขนหัวลุกหวาดกลัวตัวเองไปเลยความรู้สึกพันเนี้ยมีอยู่จริงในส่วนลึกของมนุษย์เช่นบางคนจะกระหิมใจมากหากพบว่าใครต่อใครไม่กล้าสบตาด้วยนั่งจ้องหน้ากันแป๊บเดียวแล้วหนาวหรือถ้ามีใครกระซิบว่า เห็นเดินมาแล้วรู้สึกเหมือนโดนไฟช็อตตัวหดก็ยิ่งปลืม้มยิ่งอยากมีความน่ากลัวเกรงยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกด้วยอัธยาศัยทํานองนี้บางคนจึงเลือกสวดเฉพาะบทแพร่อำนาจอารัธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเป็นบอดี้การ์ดให้สวดหวังความยิ่งใหญ่เหนือมนุษย์ด้วยการลงทุนเพียงน้อยนิดพอสวด น, นานๆต่อเนื่องเข้า ก็เกิดออร่าหน้าครามเกรงได้วูๆๆบวับแต่ไม่น่ายำเกรงจริงยั่งยืนเพราะตัวจริงไม่ใช่อะไรมากไปกว่าคนบ้าอำนาจที่ไม่ยอมสร้างออร่าขึ้นมาจากการช่วยคนหรือนำพาใครให้ไปถึงไหนเอาแต่สวดเอาดีเข้าตัวโดยไม่สนใจใครเท่านั้นกล่าวได้ว่าออร่าคือรัศมีความเป็นคนคนหนึ่ง ที่เปล่นประกายตัวตนออกมาให้คนอื่นสัมผัสได้ด้วยตาเปล่ากับทางรู้สึกได้ด้วยใจถึงใจออร่าสวยๆเกิดขึ้นได้จากหลายทางแต่การฝึกสวดมนต์ยังมีความสุขให้ได้ทุกวันนับเป็นก้าวกระโดดในการสร้างออร่าลงทุนน้อยได้ผลมากสามารถดึงดูดสิ่งที่ดีงามเพิ่มเข้ามาในชีวิตคุณได้ในเวลาอันสั้น